จากเป็นวันพระแล้วน ะ, ะยังเป็นวันสำคัญสำหรับลูกศิษย์ของหลวงประเทียนกิตตสุโภเพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านถ้าท่านมีชีวิตจนถึงวันนี้นะก็จะอายุร้อยหกปีแต่ท่านมรณภาพมรณภาพไปแล้วเมื่อ29ปีที่แล้วนะสิบสากันยาสามหนึ่งลวงประเทียนเป็น อาจารย์ของหลวงพ่อคำเขียนนะซึ่งได้อยู่ครองวัดแล้วก็พัฒนาวัดนี้มานะเกือบสามสิบปีหลวงพ่อคำเขียนนะไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อคำเขียนยังเป็นคารวาสอายุสามสิบนปฏิบัติธรรมแล้วเดือนหนึ่งก็ได้ผลนะ ก็ทำให้ท่านตัดสินใจออกบวชตั้งแต่ปีหนึ่งศูนย์นะหลวงพ่อมเขียนก็มรณภาพไปเมื่อสามปีที่แล้วนวัตเทียนเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นนะวิธีการเจริญสตนะิด้วยการสร้างจังหวนะยกมือเป็นจังหวนะเพื่อสร้างความรู้สึกตัว ท่านในเรื่องการเจริญสติมากนะแล้วก็ท่านในเรื่องการเจริญสตินะช น, นิดที่เรียกว่าเป็นทางลัดก็คือว่าไม่ติดอยู่กับความสงบนะเพราะว่าความสงบเนี่ยคนเนี่ยมักจะติดได้ง่ายและพอสงบแล้วก็เพลินเคลิมกลายเป็นหลงไป เพราะะในวิธีการที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยก็คือการเปิดตาปฏิบัตินะแล้วก็ยกมือรวมทั้งเดินก็เดินแบบไม่ช้านะแล้วก็ไม่เร็วหลวงพ่อเทียนเนเรื่องความรู้สึกตัวเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานไปสู่นะการรู้หรือการเห็นความจริงคือสัจธรรมคนเราถ้าไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยนะไอการที่จะรู้ความจริง ที่มันละเอียดลึกซึ้งเนี่ยน่าจะเป็นความจริงของกายและใจก็ตามก็ยากค็นี้สิ่งที่ทาให้ความรู้ตัวของคนเราเนี่ยมันหายไปนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าความหลงนะการปฏิบัติเนี่ยที่เราทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อทำให้ความหลงมันหมดไปหลงนี่มันมีสองอย่างนะหลงคือไม่รู้ตัวนะ หลงเพราะไม่รู้ความจริงไอ้หลงยางหลังนี้ก็เรียกว่าอาวิชาอันนี้ความรู้ตัวเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าว่าคนเราเนี่ยถูกครอบงําหรือหลุดเข่าไปในโลกแห่งความคิดหรือว่าส่งจิตออกนอกความคิดนะมันครอบงําจิตเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตัวและยิ่งความคิดนั้นปรุงเป็นอารมณ์ขึ้นมาเช่นความโกรธความโมโหความเศร้าความหงุดหงิด ก็ยิ่งลืมตัวเข้าไปใหญ่แล้วพอลืมตัวแล้วเนี่ยก็อาจจะลืมผิดชอบชั่วดีทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอาจจะลักขโมยนะอาจจะไปกระทําชําเราผู้อื่นอาจจะด่าว่าบุพการีอาจจะทำร้ายคนใกล้ตัวเนี่ยอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะแล้วก็ลืมก็เลยลืมผิดชอบชั่วดี สิ่งนี้ทำให้ค น, คนเราหลงนะก็คือความงมงายหลวงพ่อเทียนเนี่ยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ปลุกคนให้ตื่นนะทั้งตื่นมารู้ตัวแล้วก็ตื่นจากความงม ง, ง, งายด้วยให้ความงม ง, งายสรารชอพูดเนี่ยนะมันก็มักจะหนีไม่พ้นเรื่องความงม ง, ง, ง, งายในพิธีกรรมไปติดยึดกับพิธีกรรมจกนกระทั่งลืมสาระที่แท้ลืมแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นคุณธรรม หลงวงพ่อเทียนท่านเล่าว่าเคยได้รับนิ ม, มนต์นะไปไปงานต่ออายุของโยมซึ่งเป็นแม่ของเจ้าภาพที่ประเทศลาวนะหลงวงพ่อเทียนท่าเป็นคนเมืองเลยนะบ้านบุโคบเนี่ยก็ข้ามฝั่งไปเมืองลาวตั้งแต่เป็นคาราวาจอยู่เป็นประจําเพราะท่านเป็นพ่อค้าก็คงมีคนรู้จักแล้วก็เครือขายย่านมิตรอยู่ที่เมืองเลย พอท่านบวชคนก็นิ ม, มนต์ท่านไปนะไปงานนะพิธีต่ออายุก็มีการสวดนะพระหลายรูปก็สวดนะเสียงดังแต่หลงวงพ่อเทียนท่านนิ่งเลยนะไม่ไม่ไม่สวดพอสวดจบพิธีเสร็จนะโยมก็ถวายปัจจัยก็ถวายพ้าทุกรูปนะแต่ไม่ถวายท่านนะเพราะว่าเห็นว่าไม่สวดนะหลงวงพ่อเทียนท่านก็ไม่สนใจนะนะพอพระรูปอื่นไปก็แล้วท่านก็เลย คุยกับโยมซึ่งเป็นเจ้าภาพมนะบอกว่าเนี่ยการทำความดีกับแม่หรือพ่อเนี่ยนะการต่อยุการต่อยุอย่พ่อแม่เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการทำความดีให้กับท่านนะขอรบเชื่อฟังท่านนะปฏิบัติดีกับท่านนะไม่ใช่มาทำพิธีกรรมนะให้กับท่านแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่า น, นั้น และความกาตัญญูนะ่าก็ต้องเริ่มต้นจากการที่นะมีความเคารพนะพ่อแม่แลวหลวงพ่อเทียงก็เลยชวนญาติโยมนะที่เป็นเจ้าภาพนี่แหละนะให้กราบกราบแม่โดยท่านเนี่ยเป็นคนพากราบเลยนะพากราบเลยกราบโยมนะซึ่งเป็นแม่เจ้าภาพชาว บ, บ้านเห็นก็ตกใจว่าไอ้พระเนี่ยกราบโยมได้ยังไง หนูว่าท่านก็อบอกว่าเปล่านะอัตมาไม่ได้กราบโยมอตมากราบตัวเองที่สามารถจะสอนโยมให้เข้าใจเรื่องการต่ออายุที่ถูกต้องนะให้กับพ่อแม่คือการทาความดีกับท่านนะขอรบนะมีสัมมาคารวะกับท่านนะไม่ใช่ทาพิธีต่ออายุนานๆปีจะทาสักครั้งเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ทาความดีกับท่าน นอกจากเรื่องของพิธีกรรมที่ทําให้คงงมงงมงายและบางทีสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลก็เหมือนกันนะคนก็งมงายกับวัตถุมงคลมีหมอท่านหนึ่งเนี่ยเล่านะหมอท่านนี้ก็เป็นคนที่ดูแลท่านตอนที่ท่านเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารบั้ปลายชิดท่านท่านเป็นมะเร็งนะแล้วก็หมอท่านนี้ก็เป็นหมอที่เก่งก็ดูแลท่านอย่างดีวันนึงก็ หมอท่านนี้ก็เอาพระนางพญาคิศนโลกนะมาอวดหลวงเทียนแล้วก็บอกว่าเนี่ยองค์นี้เก่ามากเลยนะตั้งอายุต้องประมาณเจ็ดร้อยปีแล้วนะตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลยนะหลวงวเทียนท่านก็ไม่ค่อยสนใจแต่ท่านถามว่าพระนางพญาเนี่ยทาจากอะไรหมอก็ตอบว่าทําจากเนื้อดินนะแล้วก็มาเผาให้แกร่งเลยนะ แล้วก็ข้างในก็มีแรทาธาตุนะหลายอย่างหลวงมาเทงก็เลยพูดว่าดินเนี่ยนะมันเกิดมาตั้งแต่มีโลกนี่ขึ้นมาแล้วละ่ะนะแล้วก็ดินที่ใช้ทำพระนางพญานี่ก็ไม่ได้เก่าแก่ไปกว่าดินที่โยมเลือดตามา น, นี่เหยียบก่อนเข้าบ้านนะพอพูดเท่านี้นี่หมอนี่ท่านก็ตาสว่างเลยนะไปคิดว่าโอ้ย เพาะนังพยานี้เก่าแก่นะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เก่าแก่ไปกว่าดินที่เราเหยียบนะตามพื้นดินเท่าไหร่หรอกนะมีคนหนึ่งก็มาเอาพระมาอวดท่านนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะก็มีความสงสัยนะว่าจริงไหมเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยพระองค์นเนี่ยมีอนุภาพนะอ่าที่เราว่ายิงยิงฟันไม่เข้านะแล้วก็ปัด จ, จังไรนะทําให้ นะไม่ประสบอ่าเคราะห์หลวงพ่อท่านก็แทนที่ท่านจะพูดว่าอนุภาพที่เขาเล่าลือมาเนี่ยจริงไหมท่านถามว่าคนสร้างพระเนี่ยนะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยตายแล้วยังเขาก็บอกว่าตายแล้วครับเพราะว่าพระองค์นี้ก็เป็นมรดกต่อทอดมาหลายชั่วยุคคนแล้วหลวงพ่อเจียงก็เลยพูดว่าเนี่ยขนาดคนที่ทําพระองค์นี้นี่ยังตายเลยนะ นะแล้วคนอื่ น, นี่จะไม่ตายได้อย่างไรนะไม่ว่าอ่าเครื่องรางของขังหรือวัตถุมงคลพระเครื่องนี้จะดียังไงนะมันก็ป้องกันไม่ให้คนนะเป็นอมตะไม่ไดนะ้ยังไงก็ต้องตายกันทุกคนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมันจะดีตรงไหนนะถึงแม้ว่าจะมีอนุภาต ย, ยังไงก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายก็ต้องตายกันทุกคนมีคนนึงก็นะ มาถามหลวงพ่อว่าเนี่ยพักคเครื่องนี่เนี่ยแขรนพระเครื่องเนี่ยดีมไหมท่า น, นบอกว่าดีแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าพรักเครื่องนี่มีจะเอามั้ยสิ่งนั้นคืออะไรนะก็ความความรู้สึกตัวนั่นแหละเพอสิ่งนี้แหละที่ทาให้คนเราพ้นทุกข์ได้นะยังมีมีพระเครื่องก็ทําให้อุ่นใจนะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ได้นะนะสุดท้ายก็ต้องแก่นะต้อง จะต้องตายอย่างที่เราสวดเมื่อวานเนี่ยนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจนลบพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจนลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบพความตายไปไม่ได้ไอ้คำ ว, ว่าล่วงพ้นเนี่ยนะความหมายหนึ่งคือว่าหลีกเลี่ยงไม่พน้นนะยังไงก็ต้องเจอและสุดท้ายเนี่ยก็แม่เจ้าชนะความเจ็บไข้นะบางโรคบางอาการได้แต่สุดท้าย นะมันก็ต้องตายเพราะความป่วยความไข้หรือว่าสุดท้ายนะั้นมันก็ต้องตายนะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามพูดถึงพิธีกรรมนะอันนึงที่คนก็นิยมกันนะก็คือการนะสวดมนต์ทำบุญบ้านนะคนก็มีโยมนะนิมนต์ท่านไปสวดมนต์นนะทำบุญบ้านเวลาสวดมนต์เนี่ยก็ต้องมีการนะทำน้ำมนต์ปกติก็ต้องมีขันใส่น้ำมนต์หรือว่ามีบาทใส่น้ามนต์ แต่หลวงพ่อเนี่ยเขาบอกว่าแปะเอาการะมังมานะเอากละมังใบใหญ่มาแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มเลยนะใส่แล้วพอพอสวดเสร็จนะ่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผมน้ำมนต์หรอกนะเอาน้ำในการะมังเนี่ยเทเลยนะเทเข้าไปในบ้านนั่นแหละแล้วก็บอกให้โยนเนี่ยไปถูไปถูไ ป, ถไปทําความสะอาดบ้านให้มันให้มันสะอาดซะอย่างนี้แหละจึงจะเป็นมงคลนะถ้าเอาน้ำมนต์ ในบาดนะลดตัวนี่บางทีอาจจะคันก็ได้นะเพราะว่าไอ้หญ้าหรือดอกไม้เนะี่ยที่ใส่ไว้ในบาดนี่นะอ า, อาจจะเป็นพิษอาจจะทําให้แพ้ทําให้เป็นผื่นคันก็ได้แล้วถ้าเป็นยมันจะเป็นมงคลได้อย่างไรอันนี้สมัยก่อนนี่หลวงพ่อเทียนนั่นก็ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะจะคล้อยตามนะญาติโจมหรือว่าทําตามประเพณีเท่าไหร่เพราะว่าท่านเห็นว่า คนไปหลงงมงายกับประเพณีมากนะจนกระทั่งลืมสาระที่แท้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยทําในสิ่งที่ท้าทายหรือกระแทกความรู้สึกในจริ ง, งคนเพื่อทําให้ตาสว่างเพื่อทําให้หันมานะเกิดปัญญาขึ้นนะอันนี้ท่านก็สอนแล้วก็ทํามากนะพ อ, พอการที่ชวนโยนมาปฏิบัติเพื่อเจริญสติเอาวันนี้ก็คล้ายวันมรณภาพของท่านก็ให้พวกเรา มาก็เล่านะเพื่อได้รำลึกถึงนะคำสอนและก็ข้อวัดปฏิบัติของท่านเพื่อได้นำไปใชนะ้หรือเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอาระเตรียมรับผ่อนอิชิตังปฏิตังตุมฮังขออิทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีบาเมวัสมีชาตูจงสำเร็จโดยฉะพรานสาเพปูเรนตุสังกัปปา ขอความดามฤทางปวงจงเต็มที่กันโทปนรรโสยาทาเหมือนพระอาจารย์นในวันเทนมานิโชจิราโสยาทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวีวัชันตุวานจันไรทางปวงจงบำราดไปส า, าคารโควินัสตุโรคทางปวงของท่านจงหาย มเตวภาวันตรารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขิธิขายุโคภาวานจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอภิวัฒนสิลิสนิจางุธาปจายโนจัตตารธรรมาวทาทันติอายุวันโนสุพังภลา สามสี่าการคืออายุวันนาสุภาพพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวันตุสาพมังงามงคนรังอสาภมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพาเทวตาพอราเทวตาทั้งปวงจงรักษาท่าน ส า, าพาภูธานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระภูตตาสาพาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังภานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสองสาตตโสติปวันโตเตหคศาสติทั้งหลาย จองมีแก่ท่านรูเมือ่อเทอร